ความสุขความเจริญจะมีในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอัจจายกสูตรเป็นพระสูตรด้วยว่าว่าโดยกิจที่รีเรล่งกระทำก็นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในลักษณะอุปมาเจียบเคียง เพราะชาวนานั้นมีหน้าที่ในการเตรียมดินมีการไถมีการรวนดินมีการหว่านพืชลงไปในดินมีการไขน้ำข้าวหรือปล่อยน้ำออกก็ภารกิจของชาวนาก็ทำได้ตรงนี้แต่ชาวนาก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปเรียกร้องขอร้องหรือบังคับหรือสั่งให้ข้าวมันงอกให้ตั้งท้องให้ออกกรวงให้สุกตามที่ตัวต้องการข้าวเมื่อรปลูกไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของข้าวการทำนาเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลก็เป็นเรื่องของข้าว เหมือการทำความดีทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเมื่อไหร่ยังไงบางน้อยแค่ไหนเพียงไรนั่นก็อยู่ที่ตัวความดีเรานั้นชีวิตเรานั้นขึ้นอยู่กับการเวลาจะเห็นว่าอะไรก็ตามจะทรงเน้นไปที่เรื่องการเวลานี่มากแตถึงก็เทียบค่าชีวิตเอาไว้ว่าคนเราแม้มีอายุ ต, ตั้งร้อยปี แต่ถ้าอยู่ด้วยความโมอมประมาทแล้วก็สู้คนมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ว่าไม่โมอมประมาทไม่ได้บางทีก็ส่งสอนให้เห็นว่าการเวลาย่อมกินสัปรปะสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเองแต่ถ้าเราไปประเทศในปานนะฮะจะเห็นลักษณะความคิดในปานในปานมักจะทำเป็นรูปของพระการ ก็คล้ายๆกับรูปที่เราเขียนผู้ราหูอมจันนะฮะแล้วก็มีมือไปคลุมสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์เอาไว้เป็นปริศนาธรรมที่วางที่อยู่ที่ที่ปรากฏแพร่หลายมากเป็นการสอนเหตุว่าการเวลานั้นจะกินทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมด้วยตัวของมันเองมันมาแล้วก็เลยผ่านไป เพราะคำสอนพูทาสนาเป็นนั้นมากที่เน้นย้ำในเรื่องนี้เอาไว้จึงก็สอนให้พิจารนาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจนี้เราทำอะไรอยู่เคยถามใจตัวเองว่าเราผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราก็แก่ลงไปทุกวันแต่ว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นสารประโยชน์เหมาะสมกับการเวลาบ้างหรือไม่ แต่บางครั้งก็กระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกเช่นว่าเวลาจะได้ผ่านพ้นทัศนทั้งหลายไปตัวคนที่ปล่อยเวลาผ่านพ้นไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังและในพัฏเดรกรัตกาถาในการพูดถึงว่าคนเราแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวคืน เ, เดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นชีวิตที่จเจริญ ก็เป็นการรับสั่งให้พระมหากระจายนะตอบคำถามหรืออธิบายว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรแม้จะมีฤาสีเดียวก็จะเรือพระมหากระจายนะอธิบายและพระจา้าก็ทรงรับรองว่าเป็นการอาธิบายที่ถูกต้องก็คือหนึ่งการเวลาที่ผ่านไปก็ต้องเรื่องของการผ่านไป เราจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จะดีใจหรือเสียใจอะไรมันก็ไม่ได้เพียงแต่ถ้าจะนำมาใช้เรื่องประสบการณ์ต่างๆในอดีตเอามาใช้เป็การทาต่อไปกับเพื่องมดเว้นเราใช้ในฐานะเป็นครูแต่ว่าใช้อดีตจริงๆมันก็ไม่ได้เพราะมันตายไปแล้วอนาคตนั้น เป็นเรื่องที่เราคาดหวังมุ่งหวังและส่วนมากเราจะมีความรู้สึกว่ามันก็ดีนะฮะเป็นความคาดหวังที่ว่าจะได้อะไรที่ดีขึ้นไปกว่านี้ปีที่แล้วเราก็ให้สีน้ำผ่องอย่างนั้นปีก่อนโน้นก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะี่ยนะะแต่เราจะพบว่าโลกก็คือโลก มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขําเหตุปัจจัยตามธรรมชาติบ้างอะโดยการกระทำของคนบ้างผสมกันระหว่างธรรมชาติกับกดบ้างมยุก็ยุ่งๆว่าการจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลก็เป็นเรื่องที่เรายังทำอะไรไม่ได้ก็ยังไม่มาชีวิตจึงมาเน้นอยู่ที่ปัจจุบันท่านบอกว่า ปัจจุันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้เป่งกระทาอย่างนั้นในขณะนั้นๆและแนวตรงนี้เราจะพบว่าแนวพินาศปัจจุบันขณะที่สอนมันก็สอนในแนวนี้คือใ ห, ให้คิดถึงเรื่องการเวลาดูสถานะของตัวเองเราเป็นอะไรมีภาระมีหน้าที่ยังไง แล้ได้ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นหรือไม่แล้วก็มีอะไรที่ควรจะทำให้ดีขึ้นไปวันนี้บ้างได้ไหมพระการเจริญเติบโตของคนเรานั้นโดยหลักจริงๆแล้วควรเจริญเติบโตทุกส่วนเราประกอบโดยกายกระจิตหมายความว่ากายกระจิตที่เจริญไปนะครับการใหญ่กายเจริญมากๆก็ไม่คดี โตมากก็มีปัญหาแต่จิตเจริญเติบโตยังไงก็ดีเรียกเจ็ดจิตภัยบูญจิตกว้างขวางจิตสูงส่งคือเจริญทางกว้างาทางกว้างก็ได้ทางสูงก็ได้นะครับทางยาวก็ได้ทางโตก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรคือโตได้ทุกส่วนเพราะว่าโตแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในลักษณะปกแผ่คือคูณแก่บุคคลทั้งหลาย แต่ไงก็ตามเอาก็จริงแล้วเนี่ยในการปฏิบัติความดีทั้งหลายได้ทํางานอะไรก็ตามแม้แต่เรื่อง่าบุญคุณโทษได้ลองสังเกตว่าเป็นเรื่องคนละเหตุคนลผลกันคนละตอนกันนะฮะหมายความว่าเรามีหน้าที่ทําความดียังไงเราก็ทําก็เราเต็มที่แต่ความดีจะให้ผลเมื่อไหรนั้นมันอยู่ที่เงื่อนไขตั้งหลายหลายเรื่อง มันไม่ใช่ว่านิ่งๆจะได้เลยย่าในปัจจุบันที่ท่านล้อโครงสร้างอย่างหนึ่งขึ้นมาพูดก็ถือว่าคมนะฮะคือใครเป็นคนพูดก็ไม่รู้แต่ถือว่าคมเรียกว่าทำความดีให้ถูกที่ทำความดีให้ถูกคนทำความดีให้ถูกการทำความดีให้ถูกดีมันเการล้อความคิดมาจากโครงสร้างของเรียกว่าคติสมบัติ คือความสมบูรณ์ด้วยสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เราเกิดแล้วอุปธิสมบัติความสมบูรณ์แหงสุขภาพภารณาไมรูปร่างกายบุคลิกลักษณะของค น, คนแต่ละคนกาลสมบัติความสมบูรณ์ด้วยการเวลายุคสมัยที่เราเกิดมาและเราจะกระทำสิ่งนั้น เพราะสิ่งอะไรก็ตาม่เรก็ทํามันจะสำคัญกับการเวลาบางครั้งในการเวลาไม่ให้มันก็เมอจะดีมันก็ไม่ดีแล้วก็ตัวความดีความดีนั้นก็จริงจริงก็มาจากอุปทิสมบัติมไม่ใช่มาจากประโยค์คสมบัติคือการประกอบการกระทาของคน เรียกว่าต้องทำความดีให้ถูกดีทำความดีให้ถึงดีทำความดีอย่าให้เกินดีแล้วก็ต้องทำความดีให้พอดีเหมือนจึงจะเกิดผลในทางที่ดีงามขึ้นมาในลักษณะของสัดส่วนเราจะเห็นว่าคล้ายๆเราปรุงอาหารเนี่ยยิ่งไปหน่อยย่อนไปนิดมันก็มีปัญหาต้งนั้นคือยังไม่ได้พอดีมันจะต้องได้ในจุดที่เรียกว่าพอดี แต่ผลก็ความดีก็จะเกิดขึ้นแต่ผลในแนวของการดลบรรดาลในลนะักษณะดลบรรดาลคือผลก็เต็มที่ผลตรงนะฮนะผลตรงของมันคล้ายๆกับเราปลูกพืชแต่ผลตรงของพืชก็คือคือผลของพืชที่เราต้องการนะเรียบปลูกพืชหวังผลแต่จริงๆไอ้ผลตรงมันยังไม่เกิดทันทีทันใดมันต้องเกิดอย่างอื่นขึ้นไปก่อนพอถึงจุดหนึ่งผลมันก็เกิด แต่จะเกิดเมลารดามันขึ้นอยู่ในชนิดของพืชแล้วก็องค์ประกอบอปัจจัยสภ า, ภาพแวดล้อมต่างๆที่จะเข้ามาเป็ น, ปนองค์ประกอบในที่นี้ในชุดนี้พระสูตรเยอะต่อกันมาเป็นแถวนะฮะทรงเน้นไปในเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องบทสรุปนะฮะ หมาความคำสอนในพุทธศาสนาสรุปแล้วมันก็แค่นั้นแหะแค่ศีลสมาธิปัญญาอย่างอื่นไม่ต้องพูดอ่มันเกิดเองแล้วมันลดเองกิเลสมันลดเองความชั่วมันลดเองความดีมันเพิ่มขึ้นเองเออความสุขความเจริญเกียรติยศชื่อเสียงนิพพานสวรรค์เรื่องแต่ละา ม, มาเองเออข้อสําคัญก็อยู่ที่ศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นก็ทรงสอนว่าให้ พุทธบริษัทเนีเจริญศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นเป็นหน้าที่ของคนทุกคนเพียงแต่ว่าผลผลจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญาเพื่อลองสังเกตว่าคนเรามันมีเงืเ่อนไขเฉพาะปัจจุบัน ในปัจจุบันก็ไม่มีเฉพาะเรามันมีเงื่อนไขต่างๆอยะทั้งคนทั้งสิ่งทั้ง อ, องค์ประกอบต่างๆค่านิยมในขณะเดียวกันเราก็มีกรรมในอดีตรกรรมในอดีตที่เข้ามาตัดรอดเข้ามาขัดขวางเข้ามาส่งเสริมก็ไม่รู้นะเพราะจึงเพราะว่าคนบางคนปฏิบัติไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้ว ฟังธรรมะแค่สองสามบรรทัดทังกับบรรลุแล้วบางคนก็เรียนก็แทบลมท้มแทบตายไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันไม่ใช่ถึงกับไม่ได้เรื่องเพียงแต่ ว, ว่าเงื่อนไขปัจจัยมันยังไม่สมบูรณ์มันถูกตัดรอนซะบ้างก็ ค, ค ล, กล้ายๆกับพวกบริวารของพระรามได้จองถนนข้ามหมาสมุรไปลงกาณนะฮะ สมดินลงไปหินลงไปหายเรื่อ ย, อยมันหายไปไหนว่ากฏว่านางสุวรรณพัชชาไปดึงออกพันคนเราบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงสอนถึงสภาพแวดล้อมถึงคนที่แวดล้อมเราสอนในแนวที่เราเรียกว่าสัปไยะที่เคยพูดไว้นะ เพาสถานที่ที่เราอยู่ที่เราประกอบกิจการงานเหล่านั้นจะต้องช่วยเสริมสถานที่เสริมก็เรียกว่าสนาสนณาสปายะมันต้องเสริมถ้าสถานที่ไม่อํานวยให้มันทําอะไรไม่ได้จะนึกถึงตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยฮะตั้งใจจะริ่งทําเทปรายการวิทยุกรบอบกลางเรียมาตัง้งแต่หัวค่ํา อัดไม่ได้เลยมันคือนี้หมามันฟัดมันเถ่ามันถอนอุ้ยตะลุดเออต้องปล่อยคุณท่านเหา่าหอนไปเลยจะไอัดได้ตั้งเกือบห้าทุ่มเราก็หมดแรงไปแล้วใ้จะเห็นว่าที่ที่จริง น, น่มันมันท่าปัจจัยแวดล้อมตรงนี้มันช่วยนะเราจะอทำอะไรได้เยอะลางวันแล้วก็อัดแด้แต่ปัจจัยมันไม่ให้ปั จ, จัจตรงนี้ไม่สนับสนุ น, นก็ตัดรอนเรื่อย ถ้าปัจจัยช่วยงานมันก็ไม่ค่คยค้างา น, นะฮะจริงแต่ว่าทำรายการวิทยุถ้าหมาเห่าอยู่ด้วยมันก็น่าเกลียดเอาเสียงหมาข้าบ้านคนมันก็น่าเกลียดก็เลยก็ต้องทั้งเนี้เราก็ต้องรอเราต้องเสียเวลานั่นคือปัจจัยเข้ามาประกอบเราจะพร้อมอะไรแต่ะะไรพร้อมแต่สถานที่มันไม่ให้สถานที่มไม่ให้ แล้วก็ยังสร้างปัญหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสถานที่มันจึงต้องช่วยด้วยรวมถึงสถานที่เกิดสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่ทำงานนะฮะมันก็อยู่กับงานอะไรเช่นว่าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยสมมติเาตั้งฟังเทศก็ได้ฟังเทศที่ตึกสวฟังเทศที่โบสถ์โบสถ์ดีที่มีอยู่ใกล้หลวงพ่อชินนายสีแต่ยังอื่นไม่ช่วยเลยนะกรีนก็ใหม่ดี เสียงก็รบกวนนะอะไระสารพัดเลยแล้วคนเคเนือน่มันก็จะรบกวนมากเพราะฉะ น, นสภาพแวดล้อมนี่ไม่ไม่ช่วยไม่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเมื่อก่อนมันก็ดีนะฮะแต่ว่าพอมีสนนนวนทางมีอะไรตรายข้าวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็ลักษณะทางอากาศเขาเรียกอุตุคืออากาศมันต้องช่วย อากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันทีนี้อะไรล่ะอาหารอาหารมันก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยหรือว่าอาหารมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปแต่ละอย่างมก็มีปัญหาทางนั้นผลท้ายอาหารเสริมก็อาหารจะต้องเกื้อกูลก็เรียกว่าไม่มากไม่น้อยแล้วคน ที่เราร่วมกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยก็เรียกว่าสมาในฉันคือมีใจระดับเดียวกันนะฮะสม่ำเส ม, มอการประสานกันเกื้อกูลกันตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็เพื่อนก็อาจจะไม่คุยฮะดึงถึงกรอบแกรบมาดึงดึงถุงมาทํากรอบแกรบกรอบแกรบเราก็เสร็จแล้วต้องนั่งสมาธิต่อ นั่นแสดงว่าคนมันไม่คือกูลกันเราตั้งใจดีแต่มันมีอุปสรรคมาจากขนอกเราก็ทําไม่ได้นะฮะก็ทําไปไม่ได้เพรา ะ, ะรเพราะว่าเสียงนี่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิสมาธิจะมีเสียงเป็นปัญหาที่สุดเลย่าจะสู้เสียงได้เนะ่มันต้องเข้าสมาบัติอะนะ ถ, ถ้าไม่งั้นแล้วไม่มีทางเลยมันต้องเข้าฌานแล้วจึงจะสู้เสียงได้เนะี่ย ถ้าระดับสมาธิธรรมดาเนี่ยมันทู่เสียงไม่ได้เสียงนี่จะแรงมากแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เรานำมาประพฤตปฏิบัติเนี่ยมันต้องสบายสมายเราต้องเกื้อกูลสราบเราเพราะในการรักษาศีลเนี่ยถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าเงื่อนไขข้างนอกไม่ไปก่อกวนแล้วนี่คนจะรักษาศีลได้ดีนะ แต่จริงๆปรากฏความธรมไม่คยได้มันมีเงื่อนไขข้างนอกปัจจัยต่างๆข้างนอกที่ทำให้ศีลเราเนี่ยไม่สมําเสมอบางทีก็ศีลขาดบางทีก็ศีลบกพร่องไปพระก็ต้องบำบัดไปเพราะสาภาพเบิดล้มเนี่ยมันบังคับให้เรารักษาตัวไม่ได้เพราะแนวตรงนี้ สมัยโบราณเเรียกว่าเข้าอยู่โบสดชาว บ, บ้านเองเวลารักษา ศ, าศาีลแปดจะเข้าจะเข้าอยู่โบสดไปเลยกลับบ้านเรากลับเย็นๆนะนะกลับบ้านก็จนะบบยังก็จะอยู่ที่นั่นมีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสนธนาธรมกันอ่านหนังสือธรรมะก็จะพยายามที่จะขีดวงให้ตัวเองอยู่ในในจุดที่ไม่ไม่ไหวต่อการละเมิดศีลหือไม่มีอารมณ์อะไรมากระแทกกระทันให้มีการละเมิดศีล แต่ถ้าอยู่สภาพแปรล้อมไม่อือ้อมันก็รักษาศีลไม่ได้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในีรักษายากทีนี้เมื่อรักษาไปแล้วนรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้รักษาศีลใ น, น, นแนวลึกคือหมายความมีความประณีตสร้างอัธยาศัยเป็นลักษณะนิสัยจนถึงมีศีล ร, รักษาเรานะะไม่ใช่เรารักษาศีลเนี่ย หมายความว่าการเคลื่อนไหวเรามันเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติเป็นการรักษาแนวลึกถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยฮะต้นไม้มันอย่างรากลึกลงไปเรื่อยๆนะแต่กิ่งก้านสาขาเรื่อ ย, นะ ต, าา ย, ยต่อไปไม่ต้องรดน้าแล้วไม่ต้องไปดามไม่ต้องไปเดิมอะไรแล้วมันช่วยตัวมันเองได้แล้วศีลมันก็เป็นอย่างนั้นรักษาไปรักษามารักษาเป็นแนวลึกแล้วขยายแต่กิ่งกา้านสาขาออกไปได้เขาเรียกว่า ศีนรักษาคนไม่ใช่คนรักษาศีลแต่ในตอนตอ น, ตอนแรกนั้นคนจะต้องรักษาศีลทีนี้ไอตอนที่เรารักษาศีลจนถึงศีลรักษาเราเนี่มันมั น, มนช่วงนี้มันนานมากเลยเกว่าจะทำยังไงจะทำได้ทีนี้พอทาไปแล้วเนี่ยตามปกติแล้วคนใจร้อนนะฮะจะตั้งความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรอะไรเนี่ย มาทานศีลให้ทานแล้วต้องการถูกสลากินแบ่งต้องการถูกหวอยอะไรก็จะอยากได้เร็วๆนะอยากได้เร็วๆเรามองที่อานิส ง, งส์ของศีลในตอนท้ายของศีลที่ว่าศีเลนสุกติงยันตินะบุคคลจะได้ความสุขหรือบังเกิดในสุคติของพระศีลศีเลนโภกสัมปท า, าบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยพวกคสมบัติของพระศีล ตีรีอันนี้ปุตติยันติผู้คนจะบรรลุพระขนิพานได้ขอพระศีนตรงนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเราไปเร่งไม่ได้เห็นใจว่าเราไปเร่งไม่ได้ทีนี้โดยเฉพาะในโภโอกสมบัติคือได้ภโอกทรัพย์เนี่ยมันก็อยู่ที่อย่างอื่นด้วยนะเป็นการประกอบอาชีพระระดับสีนั่นคือสมาชีวะอยู่ด้วย หมายความว่าเราจะต้องประกอบอาชีพในลักษณะสมาชีว่าคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบที่ควรไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในการจะได้สุขมันมันอาจจะเราได้สุขระดับศีลเนี่ยแต่ทีนี้อย่างอื่นมันมีปัญหาความสุขน้มันก็ถูกตัดรอนลงไปมันก็ลดลงไปเราก็ได้ความ หาความสุขไม่ได้แต่การมาเกิดในสุกติมันก็ไม่ใช่ชาตินี้แล้วเป็นเรื่องชาติอื่นแล้วมันไม่ใช่ชาตินี้แล้วถ้าได้สุขมันก็ชาตินี้พอถึงนิพผานนั้นอาจจะชาตินี้นะอาจจะชาติต่อๆไปหรืออาจจะชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปก็แล้วแต่ว่าปัจจัยหลักสองประการปัจจัยหนึ่งในอนดีตติเ ร, เรียบบารมี เเรามีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรที่จะมาหนุนส่งหนุนช่วยให้เกิดภูมิปัญญาในการวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งต่างๆราสามารถทำจิตใจเราส ง, งบอยู่ด้วยศีนได้นะฮะจะหาความสุขได้จนถึงก็ดับกิเลสได้มันอยู่ที่ปัจจัยในอนดีตเข้านุนเราปัจจัยในอนดีตไม่มีหรือมีน้อย มันก็ต้องสร้างกันใหม่ก็ทํานองคล้ายๆกับเราการตั้งตัวของคนเนี่ยนะตัวเป็นหลักเป็นฐานว่ามันมีต้นทุนอะไรมากน้อยแค่ไหนเพียงใดและมีภูมิปัญญาในการจะบริหารในต้นทุนเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดซึ่งอาจจะโตเร็วก็ได้โตช้าก็ได้ก็แล้วแต่แม้จะมีต้นทุนอยู่แล้วก็ต้องมีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาบริหารต้นทุนเหล่านั้น ถ ร, ราขาภผูปัญญามันจะมีแต่จ่ายไม่มีการเพิ่มไม่มีการบริหารไม่มีการพัฒนาอย่างที่ผู้เจ้าเล่าถึงตระกูลเศรษฐีสองสกุลที่ไม่ยอมให้ลูกศึกษาแล้วเรียนมีทรัพย์คนละแปดสิบโกดร่รำรวยหมาสาลลูกโทนทั้งสองครอบครัว ไม่ยอมไม่ลูกศึกษาเรเรียนกวลูกจะเหนื่อยกวมือจะช้ำกวมือจะปวดก็ประคบประ ง, งมดูแลลูกมาอย่างดีพอตัวเองตายเนี่ยฮะก่อนจะตายกให้ลูกก็แต่งงานกัน้วก็ไม่ท่า่ทั้งสองก็กลัวก็ตายไปเด็กมันไม่มีภูมิปัญญาในการที่จะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ แล้วก็เมื่อก่อนเมืนคนประคบประหวมมาโอ้ใจนะฮะพอพ่อแม่ตายมันก็ต้องหาคนมาประคบประหงมมาโอ้ใจแต่คนมาก็มาด้วยมุ่งผลประโยชน์มันไม่ได้มาแบบพ่อแม่แล้วนะฮะนสิสุก็ผลาญทรัพย์สมบัติไปจนหมดจนกลายเป็นขอทานในตอนพระเจ้าไปพบแต่เป็นขอทานหมายความว่าเป็นเป็นคนที่คงเกิดมาก่อนสมัยพระเจ้าตรัรู้นะฮะเป็นเหตุการณ์ จะก็เชียพระอนุนดูเป็นสองตายายคนแก่สองคนไปนั่งขอทานมีประพักกิติเพิงข้างบ้านกรรับสั่งเล่าให้ฟังวันนี้ยลูกเศรษฐีคนนี้เป็นอยังงี้นี่แต่เพราะขาดปัญญาเป็นหลักในการที่จะรักษาทรัพย์สมบัติในการจะพัฒนาทรัพย์สมบัติในการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติในสุดมันกเสื่อมไปหมด แต่ถ้าคนนี้มีภูมิปัญญามีความฉลาดสามารถแล้วเนี่ยสมมติว่าจะเอาทรัพย์ไปประกอบธุรกิจตามที่พ่อแม่ครอบครัวได้สร้างเอาไว้มันก็จะเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากแล้วถ้าออกบวชถ้าสองคนในช่วงกันออกบวชสามีก็จะบรรลุอนาคามีผลภัญญาก็จะบรรลุกส ก, กัตาามีผลคือเป็นพระรยาบุคคลทั้งคู่ ถ้าบวชในตอน ต, อนตอนน้นๆนะฮะต้นปฐมวัยเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างคือโลกียทรั์ก็ไม่ได้โลกุตรทรั์ก็ไม่ได้แต่ถ้าออกบวชเนี่ยถ้าใช้ทรัพย์ซึ่งยังเหลืออยู่อีกแยะนะมันตั้งร้อยหกสิบโกดอะ่ะก็จะสามารถเป็นเศรษฐีในในพระนคร น, นี้นะถ้าออกบวชเนี่ย า อ, อกบวชในผัวจะเป็นพระตังกิตคามีพัญญาจะเป็นพระสุราปันแต่ก็ไม่ได้กันทั้งสองเรื่องตอนประชิ ม, มวัยมันก็มีทรัพย์อยู่พอสมควรความมาเกิดกลับเนื้อกับตัวได้แล้วก็ทรัพย์มาบริหารได้ดีมันก็เป็นเครื่องบดีที่มัง่งคั่งได้คนหนึ่งในเมืองนี้แต่ถ้าออกบวชเนี่ย ผัวจะเป็นพระโสดานะฮะพัญญาก็จะเป็นพระกัลยาณนะ์นภูตุชนคือคือไม่ได้มรรคผลละมันเสื่อไมไปแล้วไม่ได้มรรคนะจะเป็นกัลยาณนะปนภูตุชนแต่ไม่ได้หมดเลยทั้งสองอย่างม่ากลายเป็นคนแก่ที่หมดสภาพทรัพย์สมบัติก็หมดที่อยู่อาศัยก็หมดค่าทาสบริวารก็หมดตัวเองก็รอนับวันตายเหมือน ส่วอุปมาว่าเหมือนนกรรนนกระเรียนนกกระเรียนเนี่ยตัวมันสูงสูงคอยายยาวเ่ยนะเหมือนนกกระเรียนที่อยู่ในหนองซึ่งน้ำก็หมดแล้วปลาก็หมดแล้วปีกตัวเองก็ไม่มีก็นับวันตายคือจะบินไปหาอาหารที่อื่นมันก็หาไม่ได้เพราะงั้นจากจุดนี้เราจะเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญา ความเพียรพยายามที่เราจะต้องใช้ในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะอาดีตมันมันมันเป็นเรื่องอดีตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรามีบุญบา ร, รมีอะไรเท่าไหร่เราเรายอมรับเรื่องกระแสะกรรมในอดีตจริงแต่ก็จรงิงเราก็ไม่รู้ว่ากระแสะกรรมในอดีตมันมีอะไรอยู่บ้างมีบา ร, รมีอยู่เท่าไหร่อนะ่ะมีความมีบาปอากุศลอยู่เท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้ เราจึงเริ่มที่ตัวปัจจุบันคือทําสิ่งที่ปัจจุบันมันจะมีลักษณะามาเสริมถ้าท่านหลายมองกระบวนการของกรรมในเราเคยพูดมานานแล้วนะเรื่องเรื่องเรื่องจุลา ก, กระมอยฟังกระสูตรหมารกระมอยฟังกระสูตรที่พูดถึงกรรมซึ่งมันตามมาสองประเภทสามประเภทนะฮะคือกรรมที่เข้ามามาเข้ามาหนุนหมายความมาถ้าเราทําดีเนี่ยความดีก็เข้ามาหนุน แม้ความชั่วจะมาตัดรอนแต่ความดีมันแข็งแรงกว่ามันก็ต่อสู้ได้แต่ถ้าเราทําชั่วความชั่วเข้ามนุนมันเข้ามาหนุนเหมือนกันนะฮะพวกอุปธรรมกรรมในหนุนด้วยกันหมายความว่าอะไรล่ะพวกเคราะร้ายข่าวหุมผีซ้ําด่าพลอยนผีเรือนไม่ดีผีป่าพลอยอะไรแต่มามาหุมมาตุ้มกันมามันก็เหมือนกับว่าร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ข้างในถึงมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้ได้เครื่องมือในการทํำลายร่างกายเรา แต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงไว้เนี่ยชืโรคมันก็มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าร่างกายอ่อนแอจริงมาจากข้างนอกข้างในด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้จึงอยู่ที่ว่าเราสร้างปัจจุบันพุทธนายอมรับอดีตกรรมจริงนะแต่ไม่ไปเน้นที่ตัวอดีตจะเน้นที่ปัจจุบันให้รีบเร่งกระทําด้วยในปัจจุบัน ทำให้เป็นวิถีชีวิตที่สองกระแสแต่ที่ดึงท่านท่านท่านสะท้อนไว้ทั้งสี่กระแสมืดมามืดไปนั้นหมายความว่าอดีตกรรมก็ไม่ดีปัจจุบันกรรมก็ไม่ดีมันก็แย่อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปหมายความว่าอดีตกรรมในส่งมาเกิดไม่ดีแต่ว่าใช้ภูมิปัญญาความเปลี่ยนพยายามในปัจจุบันมุนจเจริญก็น่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองไปได้นะฮะ อีกแนวหนึ่งก็คือสว่างมาแล้วมืดไปหมายความอดีตกรรมดีแต่ว่าปัจจุบันไม่ดีคือขี้เกียจไม่เอาใจใส่แล้วไหนที่สุดมันก็ทําตัวเองให้ตกต่ําแบบลูกเศรษฐีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอีกแนวหนึ่งก็คือสว่างมาสว่างไปหมายความอดีตกรรมก็ดีปัจจุบนันกรรมก็ดีแลาวจะพัฒนาขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะฮะ สว่างมาสว่างไปอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นี่ก็อยู่ที่ที่ปัจจุบันแต่ที่นี้หน้าที่ของเราก็คือทำทำไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเราเดินนะฮะเราเดินเราเร่งเวลาไม่ได้เร่งให้ถึงเมื่อไรไม่ได้แต่เราก็เดินไปเรื่อยๆก็ถึงเองแต่ถ้าเราไปเร่งรัดเราจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเมื่อไรจะถึงรู้สึกอ่อนล้าแต่ถ้าเราทํามที่เดินนะฮะ มันก็เหมือนกัน เ, เรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องกินอาหารเรื่องอะไรเนี่ยเรากินไปเรื่อยไปเดี๋ยวก็อิ่มเองเนี่ยก็เร่งความอิ่มไม่ได้เพราะจริงๆเราก็คีกกินได้ถ้าที่เรากินได้นะมันไม่ใช่ว่ามันพาดชนะเทจะจับใส่เอาเราก็กินไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็อิ่มไปเร่เรงความอิ่มไม่ได้เร่งผลนี้ไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือการกระทําเหตุพยายามทําเหตุร้ดีที่สุดแล้วผลไม่จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุ แต่เราก็ต้องนึกไว้ด้วยนะนึกไว้ด้วยว่าเออมันน่าจะได้ผลแล้วแต่ทำไมไม่ได้มันก็พงอดีตกรรมในะข้ามาตัด น, นะมาเสิอยงที่ว่าและอย่างหนึ่งเ้าเรียกว่าม า, ม า, เ, บมาเบียนมาเบียนหมายความเราทำความดีอยู่ในปัจจุบันนะแต่มันมีอดีตกรรมมาเบียนมันทำให้ให้มันไม่ได้าทารีควรนะ่ะไม่ได้าทารีควรไม่จรินเ้าหน้ า, าทาตีควร คือเรามองคนเลยเราจะจ ะ, จะเห็นได้มากเลยว่ามันเป็นการจำแนกของอดีตกรรมไม่มีสิ่งผลอยู่เยอะคนบางคนปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรเลยแม้แต่ที่ที่เราเรียนหนังสือต่งหาเพื่อนฝูงที่เดียวมาด้วยกันมันก็ไปกันอุตตรุษไม่เห็นมีความสามารถเลยตอนเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรไม่มีความสามารถอะไรแต่บามาคนโน้นมาช่วยคนนี้มาช่วยอันนี้คือแสดงว่ามันเป็นบุญที่เข้ามาช่วยกัน เรื่องอดีตแต่กับเขาทำบุญร่วมกันไว้กับคนคนเยอะๆนะฮะเขาก็มานี่เป็นสิ่งที่ที่ที่น่าสังเกตเอาไ ว, ว้ว่าคนเราที่เรียกว่าบุเพันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมานะะเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนเรามักจะคิดเรื่องหนุ่มสาวจริงๆมันไม่เกี่ยวหนุ่มสาวด้วยนั่นแหละแต่ว่าเรื่องความเป็นมิตรเป็นสหายความเป็นศัตรูความเป็นผู้อุปถมัมภ์ นะเขาเรียกบุเพ bride, สศนิวาสแต่นั้นแหละคืออยู่ร่วมกันมาในการก่อนดโดยความเป็นมิตรเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรแต่ไรก็ว่ากันไปมันมันหนุนกันมามาสนับสนุนหรือมาตัดรอนก็ไม่แน่นะถ้าเป็นกรรมเนี่ยเขาเรียกว่า<ค> <move forward> <ค><อ>เป็นอุปปีลิกกรรมคือมาเบียนมาตัดรอนถ้าเป็นคนก็คือมาเป็นศัตรู นะตอดเล็กตอดน้อยทําให้ตกต่ำไปหรืว่าส่งเสริมเล็กส่งเสริมน้อยมันก็จะเริ่มตกต่ำไปก็แล้วแต่พระธิดาเข้ามาตัดเข้ามาตัดอย่างที่เคยเล่าถึงพระธิรารูปหนึ่งท่านนั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานจนปลายลิบเลยนะฮะพอขยับจะตั้งหลักได้ในเสื่อบูดออกมาเลยเ ห, เ, เหมือนกับเดิมฮะเหมือนกลับเป็นบุตรชนมาเดิมท่านสู้มาเป็นสิบสิบปี จิตมันขึ้นนะเข้าสงบเป็นสมาธิไปจนขึ้นขึ้นจะบรรลุฌานบทตั้งหลักได้ล้มทันทีเลยฌานเสื่อมมันขึ้นไปไม่ได้เลยใจใจขึ้นไปไม่ได้ตัวนั้นมันมันค่ะค่ะกระท่านหันหลายอย่านองังเกตเวลาเานั่งสมาธิบางทีเนี่ยอจิตนอ้องก็หาความสงบมันกระตุกโครมเดียวเลยกลับเหมือนเดิมเลยกลับมืนตอนนั่งใหม่มกระตุกทีเดียวเสร็จเลย นันก็แสดงว่ามีมานมีอุปสรรคมาขัดขวางบ่าประกรรมอะไระไๆก็ไม่รู้แหละก็ว่ากันไม่ได้ได้ไปแต่นี้ก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ให้เรา เ, รเป็นเรื่องของการต่อสู้ฝ่าวันอุปสรรคลองผิดลองถูกหกล้มหกลุกพลาดแล้วพลาดอีกแต่ก็พยายามทําแล้วกันเพราะคนนั้นทรงรับรองผล แต่ว่าเราเป็นเลงไม่ได้นะเป็นเลงผลเลิอว่าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามันมันมันมีองค์ประกอบเยอะที่เราไม่เห็นเนี่ยที่เราไม่เห็ น, นหรือแม้แต่เราเห็นแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยยังมีอีกเยะพอมาถึงระดับสมาธิซึ่งเป็นการทําจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้จะเห็นไนดะ้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยคืออยากไม่ได้เลย หมายความาอยากให้จิตสงบนั้นจะยิ่งไม่สงบอยากให้จิตสงบจะยิ่งไม่สงบอยากมากๆจะปวดหัวจะมึนะจะเครียดเลยจะทําไม่ไดเ้เพราะหน้าที่ของเราคือคือสมาธิก็คือทําสมาธิไปความสงบก็จะเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกับเราปลูกรดไม้เนี่ฮะจะออกดอกผลเมื่อไหรก็เป็นเรื่องของต้นไม้ ปัจจุบันเนี่ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เ, เขาก็เร่งได้นะแต่ก็หมายความไปเสริมเหตุปัจจัยขึ้นเสริมเหตุปัจจัยมีสาระอะไรต่างๆเข้าไปเสริมขึ้นเราก็ทำได้แต่มันต้องเสริมเหตุปัจจัยเสริมเหตุปัจจัยยังไงก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่าไปอย่าไปเก็บอะไรไปมากเกินไป เรื่องอะไรก็ตามนะผ่านมาก็ผ่านไปใช่ป่ะงไม่ต้องเก็บไว้ถ้าเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อความสงบใจอาจจะทะเลาะ อ, อาจจะขุดมัวอาจจะอ่านข่าวคราวอะไรแอะไรก็ตามว่าเรื่องอะไรนะฮะรับรู้แล้มันตกไปเลยแล้วก็เป็นความจําที่ไม่เอามาคิดหมายความเป็นความจําที่ไม่เอามาคิดถึงใครจะคิดเราไม่คิดได้นะถึงใครจะพูดก็ไม่พูดได้แต่ว่ายามปกติเราไม่เอามาคิด เราใช้ภารกิจเราทํางานตรงนั้นสมมติว่าอ่านข่าวรู้ข่าวรัฐบาลทะเลาะกันนะแต่เรว่าไปใครทะเลาะใครก็ร้างเขาอะนะเราก็ฟังไงนะฮะในฐานะเราฟังข่าวเราก็ฟังแต่ฟังแล้วต้องจบจบเลยวันหลังอี ก, อ, กอีกเดือนสองเดือนเอามาพูดเราก็พูดได้มันจําไว้แล้วแต่ไม่เอามาคิดมากลุ้มมาวิตกกังวลมันนอกวิสัยเป็นปัญหนา น, นอกวิสัยที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเราก็ต้องรู้ไว้อย่างการตวรวจดูสัตว์โลกของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็รู้ทั้งหมดอ่ะไมมีอะไรอะ่ะแต่พระพุทธเจ้าจะเจาะไปในกรณีที่จะช่วยเขาได้เท่านั้นจะมองเฉพาะจุด ท, ที่ช่วยเขาได้เท่านั้นถ้าจุดอื่นนี่เป็นยังไงจุดอื่นจะการเบียดเบียนล้างผลาญ ก, กันก็ กรก็สัตวก็เปล่งเป็นอุทานทเฉยๆเลยช่วยอะไรก็ไม่ได้นะฮะการไเปเบียดเบียนกันคือการสมบรวมระวังกังสันทั้งหลายเป็นความสุขในโลกโลกมันก็เบียดเบีย น, นกันนะมันจะไหวยังไงแล้วองเองก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องนายโค ข, ข้าศกับนายจุนทัศสุกริกมีอาชีพข้าหมูข่าสุกรอยู่ใกล้พระเชศตะ ว, วันเวลาเก็บข่าหมูในหมูร้องมาเสียงข้าเป็นวัดนะนะ ไม่รู้จะช่วยอะไรแกเราจะช่วยอะไรแกนจนในที่สุดเนี่ยแกดิ้นเป็นหมูถูกเชื่อไปตั้งเจ็ดวันมีเสียงร้องโหยหวนเข้ามาในวัดวิญญาก็ช่วยอะไรไม่ได้ธรรมะมันไม่ใช่ยาที่จับใส่ปากได้นะฮะไม่ใช่ฉีดได้มันอยู่ที่การน้อมนาไปประพฤติปฏิบัติของเขาเหลานะั้นแา้วเราจะมองในแง่ของกร เห็นไมเราจะมองในแง่ของกรรมถ้าดนอกวิสัยเนี่ยเราต้องมองในแง่ของกรรมอย่าไปมองในแง่คิดจะเมตตาคิดจะกรุณานคิดจะเมตตาไม่ทาไม่ได้เรามันต้องมองในแง่ของกรรมอาสาต่างหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาไม่เก็บเรื่องเหล่านั้นมาวิตกกังขุนไปมากันค่ๆการปรับจิตเอาเรอให้พร้อมที่จะสงบอ่ะปรับจิตเอาไว้ให้พร้อม เรื่องผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเรื่องยังไม่มาก็ยังไม่มาเราเวลานี้เราทําได้เฉพาะตรงเนี้ยขณะ น, นี้ตรงเนี้ยทําได้เฉพาะที่ปัจจุบันเท่านั้นเองเอาทําได้เฉพาะเรื่องนี้เราทําได้ทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงมาเป็นการปรับใจให้เป็นพื้นฐานของความสงบแต่เราก็เร่งความสงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า ความอยากสงบเนี่ยมันเป็นกามฉันนั่นเป็นนิวรนะเป็นนิวรณข้อแรกเลยแล้วตัวสมาธิเนี่ยเป็นค่าศึกตัวกามฉันคือคือสมาธิกิตที่สงบเนี่ยจิจจะต้องไม่มีความอยากทีนี้ถ้าเราอยากอยากอะไรก็ตามมันไม่สงบแม้แต่อยากสงบมันก็ไม่สงบอยากนิพานมันก็ไม่นิพานนี่ยนะฮะม็ยังมีความอยากอ ย, กอยู่ เพราะงั้นตรงนี้ท่านจึงให้ทําหน้าที่เฉพาะทําความสงบอาจารย์ลองสังเกตว่าเวลาสอนนั้นทงสอนให้มีสติให้มีสัมปชัญญะมีความเพียรทาไปอบรมกระทามไม่บ่ากระทาปก่อนรับรองผลว่าได้นะฮะแต่ว่าได้เ ม, มื่อไรเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่รับรองได้เ ม, มื่อไรไม่ ร, รองเพราะมันอยู่ที่เงื่อนไขเฉพาะตัวคน นะคนที่พร้อมเนี่ยามาอยั ง, อยงนึกที่ตอนที่พระเจ้าเอาพระญาติที่เป็นกษัตริย์โกุรีวงศ์สกุยวงศ์งมาบวชตอนนั้นบวชแรงนะบวชมากบวชมากเอามาว่าบวชมากเกินไปเลยจำไปยิ่งตอนมัมีปัญหาในบ้านเมืองบวชตั้ง500ร้อยนะฮะขติยาคุ ม, มารไวัยชกันเนี่ยมาบวชได้ตั้งห0ารอยโอ้ไม่ใช่เล่นลนะนะขาดกําลังทรัพย์บุคลากรในส่วนต่างๆของบ้านเมืองมหาศาลเลย บวชมางวายอย่างนั้นไม่ได้แนวอินเดียอินเดียเนี่ยเขาจะให้เรียนปรัชญานี่น้อยคณะปรัชญาบางคณะปัญญาโทนี่มีคนสองคนแต่เนี่นเยเขาไม่ให้เรียนมากแต่ เ, เรียนบุกบริหารเรียนทางแพทย์เรียนทางธุรกิจอะไ ร, ะไรต่างๆเรียนมากพวกเหล่านี้มันเป็นพวกชี้นําความคิดไปแก่สังคมมันไม่ใช่พวกผิดมีปากท้องที่อ้ารอคอยการกินเนื้อเยอะนะอินเดียเนี่ย เพราะเมื่อต้องต้องต้องสร้างบุคลาลกรที่ผิดที่ผิดเครื่องบุิโภคบริโภคได้เนี่ยขึ้นมามากๆไปช่วยเหลือกันแต่ถ้าผลิตดังเดียวไม่มีการชี้นําความถูกต้องเข้ารบเข้าพงเพรา ะ, ะนั้นมันต้องมีนักปรัชญาคิดมานักการศาสนาคิดมาแต่จํานวนไม่มากจํานวนจะนิดหน่อยคือเรียกว่าขนาดเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นนี่ยนะก็ <c oughs> เก็บจำนวนนิสษาทั้งหมดก็เรียกว่าไม่เกินสเปอร์เซนเขาไม่ออกมา เพื่อให้เป็นหลักในการชี้นำความถูกต้องให้แก่คนทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อเขามีความรู้ดีด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ความรู้อยู่ด้วยตอนการการกระทาตรงนี้จึงเป็นภาระหน้าที่แต่อย่าไปเร่งทำไปเรืเร่อยนั่งสมาธิไปเรื่อยทำยังไงไว้มีสมาธิในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือก็อยู่กับหนังสือทำงานก็อยู่กับทำงานนอนก็อยู่กับ น, นอนนะให้ให้มีจิตใจสงบเก็บไปวงกระทำ น, น, นั้นนะนะกุ้มไปบางกระทำนันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเราแต่ว่าเป็นการประทุษรายต่อจิตใจเราเองทำยังไงว่าอย่าให้ความคิดเป็นศัตรูของเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ คือสงใจกัว่ามีความคิดผิดมีความคิดผิดเนี่ยเป็นคยจรคือเป็นทา ง, ทางดําเนินของจิตคือจิตจะสึกตึ้งเปทางที่ผิดอยู่เนี่ยผลที่เราต้องการมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วผลจากปัญญาตรงนี้ให้ลองสังเกตนะะว่าปัญญาในแนวโลกเนี่ยที่จริงเราเร่งได้นะฮะ ปัญญาแนวโลกเรเร่งได้เร่งการสัมมนาต้องต ร, ตรงเนี้ยตะโกนคว้าหนังสือมากมันก็เยอะเลยมันต้องหาท่านชํานาญพิเศษมาพวกติวเตอร์อะไรต่างๆนยมาถามเอาถามเอาตามาา ม, าา ม, ามันก็เกิดแต่ว่าปัญญาแนวพุทธมันไม่ใช่อย่างนั้นการพานนยาแนวพุทธว่าหมายความปัญญาเกิดเนี่ยกิเลสลดนะครันี่คือสูตรของเขาว่าปัญญาเกิดมาและกิเลสเขาก็ต้องลด กิเลสไม่ลดก็ไม่ถือว่าปัญญาปัญญาในพุทธศาสนาเพราะฉนั้นท่านจําแนกเป็นสอง ก, สกระแสเรียกมิจฉาปัญญากับสัมมาปัญญามิจฉาปัญญาก็คือปัญญาผิดเรียนมากรู้มากกิเลสมากนะเห็นไหมฮปัญญาโทปัญญาเอกดอกเตอร์นะฉันดอกเตอร์นะดอกเตอร์นี่อัตตาเบเลเธอเลยนะเก่งไปหมดทุกเรื่องแล้วไม่ยอมใคร บางทีดร์ทางมาแรงเนี่ยให้เก่งไปพูดทฤษฎีทางการเมืองทางปรัช ญ, ญาศาสนาเฉยเลยพูดปิดพู ด, พดถูกเรื่อยตัวเองไม่ได้เรียนมานะนี่ก็คือลักษณะที่เราเห็นว่าถ้าเราเรียนสูงและกิเลสเพิ่มมันไม่จะทางพุทธะฮะทางพุทธเรียนสูงกิเลสต้องลดะฮะรู้มากกิเลสต้องลดวิชาในทางโลกท่านยิงเรียกว่าศิลปะท่าน่เรียกวิาวชาพราเรียนไปแล้วกิเลสเพิ่ม มานะความถือตัวนี้เพิ่มความโลภเพิ่มนะจะทํางานเราได้เงินเดือนท่านนั้นท่านนี้เราได้ปัญญาเอกแล้วเพื่อนให้เงินเดือนถ้าปัญญาตีไม่เอาโกรธเลยโกรธเลยนี่คือคือแสดงว่ากิเลสตรงนี้ที่จริงยังไม่เคยเกิดมาก่อนเกิดตามปัญญาเอกมาเมื่อก่อนอหังการไม่ได้มีขนาดนั้นอ่ะพอเราได้ปัญญาเอกเนี่เกิดอหังการขึ้นมาตรงนี้ แล้วมีนักเรียนอนอกนักเรียนในนักเรียนเอเชียนักเรียนยุโรปไม่กูมันกว่าเยอะเลยนั่นคือแนวที่ที่เรียกว่าปัญญาเราเร่งได้นะตรงนี้ที่จริงเร่งได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาแนวพุดเพราะแนวพูทที่ส่งเน้นในใจติขาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาหมายความว่าต้องเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ ไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรกับสิ่งต่า้นเกินไปนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าหมดอะไรตายยากนะแต่มายังมองว่าเราเข้าใจเราเข้าใจธรรมะการพาดตัวมีอยู่จุดเมื่อวานนี่ก็พูดกับลูกศิษย์ข้างล่างก็บอกว่าให้ลองสังเกตว่าเราจะต้องมองแล้วมันมีอะไรที่สับสนอยู่เยอะในสังคมไทย แล้วเรา ก, ก, ก็ไม่ได้วิเคราะห์ตรงนี้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าตัวเนี้ยพระพระพุทธเจ้านั้นทรงมีคุณอุปการต่อโลกเราเกิดหน้าโมต้อน้อมนึกถึงพระมหากุณาคุณของพระองค์เราเทื่อทูลเคารพพระองค์เพราะว่าเราได้จากพระองค์พระองค์ให้เราก่อนน่ะพระองค์ให้เราก่อนเหมือนพ่อแม่เนี่ยท่านให้เราก่อนเราเคารพพ่อแม่มีคุณอุปการมากมายไกลกองแล้วเราก็สำนึกคุณทีหลังเวลานีมน้มันลักษณะอย่างหนึ่งที่เรา จะต้องอะไรผู้ใหญ่วันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ขนของไม่ให้ผู้ใหญ่วันเกิดผู้น้อยผู้น้อยก็ต้องขนของไม่ให้ผู้ใหญ่อะไรแต่อะไรก็ผู้น้อยเป็นสังคมในผู้น้อยเลี้ยงผู้ใหญ่ซึ่งมันผิดสูตรอย่างแรงมากๆเลยสูตรจริงๆในผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงดูผู้น้อยไม่ใช่ผู้น้อยเลี้ยงดูผู้ใหญ่แล้วผู้น้อยเมื่อได้รับการเลี้ยงดูแลเกิดสมนไกุณก็ตอบแทนบุญคุณทีหลัง มีเยอะที่ผู้ใหญ่เราไม่รู้จักนะฮะแต่อุตส่าห์ไปเข้าคิวไปแจกไปเอาอะไรไปของฝันอะไรไปให้เขามันไม่ใช่เป็นธรรมะปฏิบัติแต่มันเป็นธุรกิจทางสังคมหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันการให้ก็ไม่ได้เกิดจากกัตัญญูกัจะระเวทีอะไรทลา่นะฮะแต่ว่าต้องการจะเสนอหน้าเพื่อให้ท่านรู้จักไวเผื่อผีหน้าจะได้สองขั้น มันเป็นเป็นเป็นลักษณะที่เราติดต่อกันเพื่อผลประโยชน์ซึ่งหมายความไงหมายความว่าเราติดต่อด้วยโลภหลงถ้าเราไม่ได้ตามที่เราอยากได้เราจะเกิดโกรธมันจะเกิดโกรธจริงๆไม่ได้เจตนาที่บริสุทธิ์แต่นั้นปัญหาจึงจึงเกิดทยอยกันไปได้เรื่อยๆเราทำยังไงว่า ผู้ใหญ่ที่จะเรียกร้องความเคารพน้ำถือศรัทธาหรือว่าปฏิการะนะฮะตอบแทนจากผู้น้อยเนี่ยมันก็ต้องทำตัวเป็นผู้ให้มาก่อนเป็นผู้สง่งเคราะห์นุเคราะห์คนอื่นเข้ามาก่อนไม่ใช่วันนี้นิ่งไปเรียกร้องตรงนั้นเอาเลยนี่คือลักษณะการผิดผิดหลักการของของบุปการีกตัญยูกะตะเวทีหรือผู้ให้ผู้รับหรือประการหนึ่งก็ คืออะไรคือเรื่องของของความคิดเมื่อวันซื่อเนี่ยไปไประชุมที่สลากลางจังหวัดปทุมธา น, นีนี่ข้ารายการก็มานั่งหลายคนเนี่ยคือว่ารู้สึกเราไม่เข้าใจเลยบอกเอาอาคุณคุณลองหายใจลองดูสิแล้วหาคำตอบมาดูก็นึกไม่ออกอนะ่ะก็นึกไม่ออกว่าหายใจแล้วในมันมันสอนอะไรเรา บอกว่าให้ลองดูจะหายใจเข้านี่มากกว่าหายใจออกถ้าวันไหนคุณหายใจออกถ้าก็หายใจเข้าคุณก็ปไปไม่รอดแล้วหน้ามืดแน่แต่ถ้าออกมากกว่าเข้านี่ฮะคุณก็ตายว่ดีเลยเพราะสังคมเนี่ยมันจะมีการให้การรับมีการได้การเสียมันไม่มีใครได้ทุกอย่างแล้วไม่มีใครเสียทุกอย่างพรืทันยังไงว่าระหว่างการได้กับการการรับการให้เออ การได้การเสียการให้การรับเนี่ยให้มันสอดคล้องกันเป็นปัจจัยสนับสนุนกันมีให้มีรับมีได้มีเสียเรากินข้าวนะฮะเราก็เสียนะแต่จริงเราก็ได้มากกว่าเสียเราก็กินเนี่ยถ้าไม่ยอมเสียเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องมีเสียทีนี้ไอ้สูตรตรงนี้เราจึงเราจึงมองเห็นว่าเมื่อเราได้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราต้องเสียกิเลสออกไป เห็นไหมว่าที่เราที่เราเข้ามานี่มันต้องออกไปด้วยหายใจเข้ามามันต้องมีหายใจออกไปด้วยแต่คุณหายใจเข้ามาโดยไม่ออกไปเลยคุณก็ตายมันมันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแม้แต่กินอาหารเราเรากินเข้าไปก็มีส่วนที่ต้องออกมาสูตรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะนี่จะมีลักษณะอย่างนี้ว่าเมื่ออย่างหนึ่งเกิดเนี่ยอย่างหนึ่งต้องออกไปอย่างหนึ่งต้องออกไป ก็หมายความว่ามีการได้มีการเสียมีการให้มีการรับไม่ใช่ว่าได้ด้วยนะข้าวไปไดิกิเลสกับธรรมะเนี่ยเขาไม่มีลักษณะร่วมศีลไม่มีลักษณะร่วมกับกิเลสอย่างหยาบถ้าเราหยาบด้วยแล้วก็เราบอกว่าเรามีศีลด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่อยู่ร่วมกันระหว่างอาการกายวาจาทีระหยาบ อาการวาจาที่หยาบกิริยาที่หยาบกับศีลเนี่ยมันไม่ร่วมกันหมายความถ้าเรามีศีลกายวาจาเราต้องไม่หยาบถ้ากายวาจาเราหยาบก็เป็นยันว่าคุณไม่มีศีลนะทีนี้พอถึงสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นปฏิปักิกัน น, นิวรณ์ผลที่เราจะได้มันต้องได้ที่ใจเราก่อน ถ้าเราบอกเราได้สมาธิเนี่ยเราสงบนิวรณ์หรือเปล่าทีนี้ถ้าสงบนิวรณ์ได้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบของสมาธิเพราะเนื้อหาของสมาธิจริงๆมันก็อยู่ที่สงบนิวรณ์คุณอาจจะนั่งบนเก้าอี้เฉยๆใจในขณะนั้นไม่มีนิวรณ์มันก็เป็นสมาธิคุณนั่งอ่านหนังสืออาจจะนั่งมองที่พระพุทธรูป เบื่จะคิดอะไรที่เป็นกุศลใจใจมันสงบนะในขณะนั้นก็เป็นสมาธิทีนี้ตัวตัวปัญญาหรือตัววิปัสสนาเนี่ยมันเป็นขั้นสุดต่อโมหะปัญญาเป็นแสงสว่างนะฮะโมหะเป็นความมืดพอปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดความมืดก็ต้องหายเพราะนั้นปัญญาเกิดในโมหะต้องหายถ้าไม่หายก็ต้องลดนะ่ะ ถ้าไม่หาก็ต้องลดแต่ว่าการมองเนี่ยปัญหาสําคัญกะวันก่อนก็ไปติงในที่ประชุมที่ทต่างๆจังหวัดประถุเหมือนกันนะฮะเขาประชุมหัวหน้าส่วนในจังหวัดก็เต็มห้องประชุมนดี๋ยวอยากให้เขาตั้งข้อสังเกตบอกให้หยาตั้งข้อสังเกตเนี่ยวันที่ยีผ้าที่แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นวันขึ้นมา ในช่วงตรงนั้นใกล้ๆเนี่มีการประชุมสภาอยู่พุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยที่วัดอัมพวันข่าวที่ออกมาวิทยกรทุกคนที่ขึ้นพูดเนี่ยด่าพระทั้งหมดเลยทุกคนขึ้นพูดด่าพระทั้งหมดแต่พวกคริสที่เขามีคริมาสเนี่ยเขาไม่ได้ด่าบารหลวงเขาเลยอ่นะสรุ ด, ดีโปรสรุ ด, ดีอะไรต่ะอะไรเขาเรียบร้อยนะของเราเป็นเป็นประเพณีเลย เวลาประชุมอะไรเนี่ยไม่มีอะไรต้องดาพระไว้ก่อนแล้วพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยท่านรองผู้ว่าึงเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ตามมาเวลาม า, ากานข้าวเขาก็มีความเห็นเขาเห็นเก่งนะฮะามาว่าเขา เ, เก่งเขาบอกว่าเข้าใจว่ามาดหลวงนี่ก็คือชาวบ้านนั่นเองมันวิถีชีวิตมันไม่แปลกอะไรกับชาวบ้านมันก็มีจุดมันมีจุดที่จะไปตําหนีทีเตียนหรือว่า ตัวอีหมา่างตัวฮายีอะไรแต่อะไรของคริสเนี่ยมันก็คือชาวบา้านนะประกอบอาชีพมีลูกมีเตา้ามีครอบครัวเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปมันไม่มีจุดที่ต่างให้เป็นที่สังเกตว่าผิดหรือถูกแต่ว่ารูปแบบของพระเนี่ยมันเด่นมากไปเด่นมากไปนะบวชปั๊บเดียวนี่โยมยังถูกกันไม่ได้เลยโยมประเคนเอาผ้ารับแล้วามันมันมันมันก็โดดหายออกมาเลยทาให้จุดมันเด่นนะ ดีก็เด่นนะพอไม่ดีก็เด็นพอไม่ดีก็เด่นมั้งมือนกับผ้าขาวเนี่ยมันเจอจุดดาเข้ามาเลยเด่นเลยคนก็มองอเฉพาะจุดตรงนั้นก็เป็นความคิดที่คมอนะเป็นความคิดที่ค ม, มเออถ้าจะจริงแล้วมันก็กลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรมันแสดงให้เห็นว่าเราเราไม่มีปัญญาเพราะว่าการทำเช่นนั้นไม่แก้ปัญหาแต่เพิ่มบาปไปแก่ตัวเองเพิ่มบาปไปแก่ตัวเอง จิตใจขุนมัวเศร้าหองใจก็ไม่สงบเจแล้ววาจาก็ไม่สงบพอถึงการกระทาไม่เจอพระอาจจะไปแก้แค้นพระองค์ไหนก็ไม่รู้ะเหมือนกับสมัยเจี๊ยบยังไงสมัยเจี๊ยบที่วัดมหาธาตุมาเจอพระถามมาอยู่วัดไหนประวัดมหาธาตุสะบัดหน้าพืชเลยเจี๊ยบไม่เจี๊ยบไม่รู้เปลียดหมดเลยทั้งวัดเลยอันนี้เห็นไหมสร้างบาปมาเรื่องสร้างบาปเองตัวเองเพราะปัญญาเนี่ย มันจะต้องสามารถลดตรงนี้ลงไปได้อย่างน้อยก็มีเหตุมีผลเหตุมีผลที่แ ย, ยกแยะอะไรเป็นผลของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรเรื่องใครเป็นใครนะเราจะเห็นว่ า, าการมองใครเป็นใครแม้เขาจะทำชั่วแล้วเนี่ยแต่แนวพุทธเนี่ยเขาไม่ไปซ้ำเติมนะฮะคนที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาไม่ไปซ้ำเติมเพราะถ้าซ้ำเติมก็คือว่าเรา เพิ่มบาปให้แก่เราทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นเขาทำบาปอยู่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมบาปให้แก่เราวิธีพูดเนี่ยเขาจะมองโดยอุเบกขาแต่ถ้าอยู่ในวิสัยจั ก, การุณาได้เราก็กรุณาโดยจะมองสองแนวตนเองนะคนที่ประสบความาทุกข์ยาถ้าพอช่วยได้ในคดีที่เราช่วยได้เช่นเ้าหกล้มเช่นเขามีปัญหาเขายากจนก็ตกรถอะไรเรยเขาก็ประสบความาทุกข์ยาเหมือนกันเราช่วยได้ เราตรงนี้เราช่วยได้แต่เขาถูกสารตัดสินจำคุกอันนี้เราช่วยไม่ได้เราช่วยไม่ได้แต่เราช่วยเรื่องอื่นนะอาจจะให้ของฝากอะไรอะไรไปเยี่ยมไปเยี่นได้แต่ว่าช่วยหลุดพ้นจากคุกเราช่วยไม่ได้แต่มีเยอะที่เราช่วยได้เพราะงั้นต้องมีธรรมะอยู่เพียงสองข้อที่เราช่วยได้คือเมตตาไม่ใช่กรุณากับอุเบกขากรณีนอกวิสัยไม่อยู่ในขอบข่ายที่ควรจะช่วยถ้าช่วยแล้วไปสร้างปัญหาเราก็อุเบกขา แต่ในกรณีที่ช่วยได้เห็นเขาประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์ประสบปัญหาอันนี้มันอยู่ในวิสัยช่วยได้เราก็ ช, ช่วยช่วยตามวิสัยที่เราช่วยได้เพราะงั้นผลทั้งหลายที่เราทำเนี่ยที่จริงเราสัมผัสเราสัมผัสแล้วแต่ผลสมบูรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุที่สมบูรณ์นะเป็นเรื่องของเหตุที่สมบูรณ์ เราไปเรียกร้องไม่ได้แล้วเหมือนกับต้นไม้ที่ว่าเนี่ยเราเรียกร้ อ, องดอกผลไม่ได้มันไม่ถึงคราวของมันนะไม่ถึงคราวของมันอายุมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันก็ออกไม่ได้แล้ยฤดูกาลอะไรเข้ามาอีกแต่ว่าเราก็ปลูกแปกแล้วกันกวอนหลังมาถึงคราวถึงการมาก็ออกผลมาเป็นภารกิจที่ทรงสอนให้รีบเร่งทรงใชง้คาอัจจายิกะสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการรีบเร่ง ต้องรีบเร่งกระทำทำไมรีบเร่งเราก็กลับมาีิการนะกลับมาีิการเวลาว่าการเวลาของชีวิตที่ผ่านไปเมื่อเช้าเนี่ยมีลูกศิษย์ก็เป็นายพลก็ไปให้ให้พรบอกให้อาจารย์มีอายุสักร้อยปีปุยไม่เอาอ่ะพรอะไรไปให้พอรอะไรตั้งร้อยปีไม่เอาหรอกคือคือคื อ, ค, อคืออะไรคือว่าสิ่งเหล่านี้ สมมติว่าได้จริงๆเนี่ยไม่รู้จะเอาทําำอะไรนะสมมติได้จริงๆไม่รู้จะทําทีนี้สมมติว่าเราเกิดจริงๆขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันสมมติเราอยู่ไปได้ไม่ยอมตายละพีหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันนะฮนะไม่รู้จว่าอย่างไงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังขารเรื่องบสภาวะฏถัมแต่ถามว่าเอาไม้อายุร้อยปีบอกไม่เอาอะ เอาก็จริงในลึกๆเราก็เลือกไม่ได้นะเราก็เลือกอะไรไม่ได้วพราจะได้หรือไม่ได้จะเป็นหรือไม่เป็นต่อไปจะเป็นยังไงเราก็เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงที่เราทำได้ก็คือเอาเฉพาะที่เราทำได้การใช้ความเพียรพยาไม่เหมาะสมสอดคล้องแก่การแก่เวลาแก่สถานภาพแก่ลักษณะทางอารมณ์เพื่อเพิ่ม บุญกุศลที่ที่เคยที่ที่พรเจ้าเคยใช้แล้วก็ ก, ก, ก็ที่เล่าฟังมันก่อนนะที่ว่าไม่กลัวต่อประโลกหมายความมารรคฐานอย่างเงี้ยพร้อมอยู่เสมอตายเมื่อไรก็ไม่แปลกอะไรตายเมื่อไรก็ไม่แปลกคือหมายความพร้อมที่อยู่อย่างคนดีแล้วก็เกิดปุ๊บปั๊บเกิดแล้วก็กะตายอย่างคนดีนะฮะตายพร้อมพร้อมตายแล้วก็พร้อมอยู่ ไปการพร้อมตายพร้อมอยู่ตายก็ได้อะไรก็ได้ไม่กลัวต่อประโลกอยู่ก็ได้อะอยู่ก็ได้ก็สามารถทำทําประโยชน์แก่โลกได้แต่หมายความว่าเราต้องเร่งในตัวศีลสมาธิปัญญาอันนี้โดยรวมสรงสรุปรวมนะฮะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะฮะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเร่งเฉพาะตัวศีลสมาธิปัญญาพอ แล้วพวกนี้ที่จริงก็จะเป็นปัจจัยของการเลิกกันเมื่อเราเพิ่มปริมาณศีลขึ้นมันก็เพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญายิ่งเพิ่มปัญญาก็ทําให้ศีลสมาธิสมบูรณ์ขึ้นเพราะจริงๆแล้วทั้งศีลทั้งสมาธินั้นจะต้องอิงอาศัยปัญญามันมีปัญญากํากับอยู่ทุกขั้นตอนทรงสอนในรีบเร่งกระทําโดยด่วนเร็ว อย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนในอะไรเนี่ยมันเราก็รอไม่ได้มันหบความความตายมึกเมื่อเรารอความตายไม่ได้เราไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเตรียมพร้อมไว้เนี่ยเป็นดีที่สุดวิถีพุทธจึงเป็นวิถีของผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้เบิกปาแล้วพร้อมที่จะอยู่อย่างมีสาระประโยชน์แล้วก็พร้อมที่จะจากไปให้มีตาประดับโลกไว้ สร้างความภาคภูมิใจแก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรายคกลือพุทธเจ้าประรรมประสงค์อันเป็นที่เคารพนับถือของเราเราพุทธ บ, บริษัททางหลายได้โปรดรดลบันดาลปริบาลรักษาให้ท่านสาธุชน ท, ทุ ก, ท, กท่าน ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรกภัยมีความก้าวหน้าความสมเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพรภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทุกกานได้ขอให้ทุกท่านสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพั์พรทั้งสีประการเื อ, อยุวนาสุขภระอีกทั้งปฏิพานรสารสมบัตโดยทกกุกทุกท่านคือ